บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสมมาสมาุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางประธรรมและประสงค์เป็นสรรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงแก่รามผู้หนึ่งชื่อว่า สคารวะซึ่งได้เข้าเฝ้าและดนตราบทูลถามว่าก็ระเหตุอะไรมนที่ได้สาธยายได้แล้วในบางคราวก็หมดปฏิพานคือความแจ่มแจ้งที่จะสาธยายได้ต้อง ขัดข้องติดขัดไม่จำจะต้องกล่าวถึงมนต่สาธยายไม่ได้พระสมานพพุทธเจ้าก็ได้รับตอบเป็นข้อๆอไปว่าเพราะกามาชั น, นความพอใจรักใครในกามบังเกิดขึ้นยึงทำให้จิตนี้เศร้ามอง ไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่นไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเปลี่ยนอย่างเปรียบเหมือนอย่างน้ำที่ปนด้วยสีต่างๆไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาหน้าใดถนัดได้อันหนึ่งเพราะเหตุแห่งพยาบาทคือความโกรธแค้นขัดเคือง มุ่งร้ายปองร้ายบังเกิดขึ้นจึงทำให้จิตนี้เศร้าหมองไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่นไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้ำที่ต้มเดือดในไฟจึงเป็นน้ำที่เดือดพร่านมีควันไม่อาจจะส่องดูเงาหน้าได้อันหนึ่งเพราะเหตุที่ ทนมิธาความงวงวูเลเคื่อเคลบางเกิดขึ้นจึงทําให้จิตนี้เศร้าหมองไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่นไม่รู้จักประโยชน์ออนชนทั้งสองเหมือนอย่างน้ําที่ถูกสารายจอกแหนปกคลุมไม่อาจจะส่องดูเงาหน้าได้ อันหนึ่งปุถัจะกุกุด จ, จะความพุ่งสร้างรำคาญใจมันเกิดขึ้นจึงทำให้จิตนี้เศร้าหมองไม่รู้ประโยชน์ตนไม่รู้ประโยชน์ท่านไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้ำที่ถูกลมพัดไหวกระเพื่อมเป็นคลื่นไม่อาจที่จะส่องลงเอาหน้าได้ อันหนึ่งวิจิตฉ้าความเคลียังสงสัยบังเกิดขึ้นทำให้จิตนี้เศร้าหมองไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ท่านไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้าที่คุณมัวทั้งตั้งอยู่ในที่มืดไม่อาจจะส่องดูให้เห็นเงาหน้าได้ เพราะเหตุที่นิวรณ์เหล่านี้บังเกิดขึ้นจึงทำให้สาธยายมนที่เคยสาธยายได้ที่เคยสาธยายได้ไม่ได้ต้องติดขัดอันหนึ่ง <c oughs> เมื่อจิตมีนิวรณ์ครอบงำดังที่กล่าวมานี่ <c oughs> จึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ในโพธิ์คงทั้งเจ็ดได้ด้วยต่อเมื่อปฏิบัติสงบรำงับนิวรณ์ทั้งห้านี้ได้คือสงบกา ร, รมันฉันได้จึงจะรู้ประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองได้เหมือนอย่างน้ำ ที่ใสสะอาดปราศจากสีต่างๆอาจส่องดูเงาหน้าได้ปฏิบัติสงบรมรับพยาบาทได้จึงจะทำให้รูป้ประโยชน์ดังกล่าวเหมือนอย่างน้ำที่ไม่ถูกต้มเดือดเดือดรั้นเป็นควันอาจส่องดูเงาหน้าได้ เมื่อปฏิบัติรังรับที่น้มิทะความง่วงกุลเคลือบเคลิ่มจึงจะรู้ประโยชน์ดังกล่าวได้เหมือนอย่างน้ำที่ไม่มีสาร่ายจอกแหนคลุมส่องดูเงาหน้าได้และเมื่อปฏิบัติสงบอุทจักกุขจักความกุ้งสร้างําคานได้จึงจะรู้ประโยชน์ทั้งสองได้ ดังกล่าวเหมือนอย่างน้ำที่ไม่ถูกลมพัดให้ไหวกระเพื่มเป็นคลื่นส่องลูเงาหน้าได้และเมื่อปฏิบัติสงบวิจิกิจยาความเพลียสงสัยได้จึงจะรู้ประโยชน์ดังกล่าวได้เหมือนอย่างน้ำที่ไม่ขุนมัว และวางอยู่ในที่สว่างสอ่งดู่งเงาหน้าได้เะนั้นและจิตที่ปฏิบัติสงบนิวรณห้าได้ดังกล่าวนี้ก็ทำให้สารยายหมนได้สะดวกรัวจิตจะผ่องใสไม่เศราหมองและจิต ที่ไม่มีนิวอน์ดังนี้ย่อมสามารถปฏิบัติในโพชฌงได้และโพชฌงนี้เมื่อปฏิบัติได้จนถึงอุเบคาสัมโพชฌงย่อมจะวางเฉยในสัตว์และสังขารได้วางเฉยในสัตว์ก็คือ วางเฉยในสัตว์ทั้งหลายโดยการพิจารณาบ่งใจลงไปในกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วแต่ละสัตว์บุคคลทั้งตนเองแต่ละคนย่อมต้องเป็นไปตามกรรมของตนตามที่ตนนึกกระทําไว้ เนะียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็พิจารณาจนถึงหน่วยปรมัตารย์คือโดยเนื้อความที่ละเอียดลุ่มลึกว่าที่เรียกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเป็นสมมติบัญญัติแต่โดยปรมัตา์แล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อพิจารณาดังนี้จะทําให้ จ, ใจิตใจ ปล่อยวางความยึดถือในสัตว์หรือโดยความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้อีกอย่างหนึ่งวางเฉยในสังขารคือในพัสดุทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายเช่นเมื่อเป็นบรรประชิตก็วางเฉยในปัจจัยทั้งสี่คือใน ยีวอนเบนนบัตรเในาส น, นะยาแก้ไขและสิ่งอื่นๆบรรดาที่มีอยู่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ชั่วคราวและเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของที่แท้จริงเพราะความเป็นเจ้าของนั้นย่อมมีอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นสิ่งทั้งหลาย ที่มาถึงเข้าก็จะต้องพลัดพรากไปหรือไม่เช่นั้นชีวิตนี้ก็จะต้องแตกดับต้องพลัดพรากไปทุกทุกอย่างที่นึถือว่าเป็นของเรานั้นแม้ว่าจะมีสิทธิอยู่แต่ก็เป็นสิทธิชั่วคราวเท่านั้นไม่เป็นสิทธิที่แท้จริงเพราะถ้าเป็นสิทธิที่แท้จริงแล้วก็จะต้อง ไม่มีความพลาดพลาดแต่เมื่อมีความพลาดพลาด ก, ก็ไม่ใช่เป็นสิทธิที่แท้จริงพิจารณาให้รู้สักสักจจะคือความจริงดังนี้จนปรงใจเห็นว่าไม่มีเจ้าของไม่ใช่เจ้าของเป็นสิ่งที่มีอยู่สำหรับใช้สอยชั่วคราวเท่านั้น เหมือนอย่างของเขายืมเข้ามาแล้วก็ต้องส่งคืนเจ้าของก็จะทำให้ใจนี้บรยวางจากสังขารคือสิ่งปรุงแต่งคือพัสดุททังหลายได้ตูเบคาในโพธชงท่านอาจารย์แสดงไว้ดังนี้แม้ในสติปัฏฐานทั้งสี่ในข้อสี่ คือธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็แสดงว่าขั้นสุดของธรรมานุปสติธรรมานุปสติปัฏฐ า, านนั้นย่อมเห็นการละความยินดียินร้ายด้วยปัญญาเป็นอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ซึ่งการละนั้นดังนี้ อันแสดงว่าแม่ในสติปัฏฐานก็ต้องมีอุเบกขาเป็นที่สุดในสติปัฏฐานทั้งสี่เนื้อท่ันแสดงรวบยอดว่าขอกายก็คือลมหายใจเข้าออกโดยยกเอาลมหายใจเข้าออกเป็นที่ต่างข้อเวทนาก็คือมณสิการใส่ใจ ลมให้ใจเขาออกนั้นคํานึงถึงลมให้ใจเขาออกนั้นไว้ในใจกระทําลมให้ใจเขาออกนั้นไว้ในใจข้อจิตก็คือสติสัมปชัญญะแม้ในลมให้ใจเขาออกนั้นและข้อธรรมนั่นก็คือเห็นการละความยินดียินร้ายด้วยปัญญาเข้าไปเพ่ง การละนั่นก็โดยปัญญานั่นแหละสงบเฉยอยู่นี้เป็นที่สุดแห่งสติปัฏฐานก็ลงด้วยอุเบกขาเหมือนกันและมาถึงโพธชงเจ็ดก็ลงด้วยอุเบกขาสัมโพธชงซึ่งท่านอธิบายว่าวางเฉยในสัตว์สังขารดังกล่าวนั่น และเมื่อพิจารณาดูโดยลำดับธรรมะในโพธชงก็อาจเข้าใจได้ว่าโพธชงนั้นสืบมาจากสมาธิสัมโพธชงและสมาธินั้นที่เป็นสมาธิชั้นสูงก็ย่อมประกอบด้วยเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว และอุเบกขาคือความวางเฉยจะนั่นแม้ในสมาธิเองที่เป็นสมาธิชั้นสูงก็ต้องมีอุเบกขารวมอยู่ด้วยโดยลำดับจนถึงสมาธิที่สูงมากจนในฌานที่สี่ก็เป็นอุเบกขาที่สงบ โสมนัสโทมณัตสงบสุขงสงบทุกข์ทุกขกมาสุขทั้งหมดเป็นอุบเบกขาที่ประกอบไปอยูเอกคตาแม้สมาธิเองก็ต้องเป็นดังนี้และในโพธิชงโดยแยกอุบเบกขาขึ้นไปอีกข้อหนึ่งเป็นอุบเบกขาสัมโพธิชงเป็นข้อที่เจ็ดก็เพื่อเป็นการที่ แสดงเน้นให้เห็นความสำคัญของอุเบกขาอันจะนำไปสู่ญาณคือความยังรู้ในอริยสัจ ท, ที่จัดไว้เป็นอันดับไปในข้อธรรมาลุปรสนาทิปทานแห่งมหาเศรปัปทานสุแสดงว่าญาณในอริยสัจนั้น จะต้องมีอุเบกขานำและก็ต้องเป็นอุเบกขาที่ประกอบด้วยสมาธิดังที่แสดงไว้ในองค์ฌานที่สี่ว่าเอกคตาในอุเบกขาดังกล่าวและเพราะเหตุที่ปริยายแห่งการแสดงธรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสโดยปริยายนี้บ้าง โดยปริยายนั่นบ้างยกอุเบกขาออกมาเพื่อให้เชื่อมกับอริยสัจญาดังตามแนวธรรมะในหมวดธรรมานุปัสสนาในมหาสุิปฐานสูตสุดนี้บ้างไม่ตรัสยกอุเบกขาออกมาตรัเพียงสมาธิบ้าง เช่นพระพุทธภาษิตได้ตรัไว้ว่าสมาธิงพิกเวภาเวทะพิกสุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอบรมสมาธิสมาฮหตโตยะถาภูตังปญญาติภูที่มีจิตตั้งมันแล้วภูที่มีจิตตั้งมันเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริง ตามระพุทธภาสิบนี้ตรัดแสดงปัญญาเชื่อมกับสมาธิทีเดียวตามลำดับในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาและยังได้ตรัดแสดงไว้ อ, อีกว่ารู้ตามเป็นจริงนั้นคือรู้อย่างไรก็ตรัสเป็นระพุทธอธิบายต่อไปว่าก็คือ รู้ว่านิทุกน้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกน้ทุกขานิโรยความดับทุกน้ทุกขาีิโระคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็คือตรัสอธิบายว่าอริยสัจญาณหรืออริยสัจปัญญานัน่นเองฉะนั้นเมื่อ จัดยกมะพอดชงขึ้นมาสืบต่อจากสติปัิปัฏฐานก็จัดอุเบกขาสัมโพอดชงสืบต่อขึ้นมาจากสมาธิก็เป็นอันแยกสมาธิออกเป็นสองข้อเป็นสมาธิสัมโพอดชงกับอุเบกขาสัมพอดชงนั่นเองแต่ก็อาจรวมเป็นข้อเดียวกันได้ เพราะเหตุดังกล่าวมาข้างตน้นบาสมาธิอย่างสูงนั้นมีองค์ก็คือเอกขตตาความรู้จิตมีอารมณ์ไปนั่นเดียวและอุเบกขาฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมน้อมสมาธิน้อมจิตที่เป็นสมาธิและอุเบกขาไปเพื่อรู้โดยจับ ยกกิดขึ้นสู่อารมณ์ของวิปัสสนาเพื่อรู้ในอริยสัจคือจับพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยไยะว่ารูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ ความเกิดข like ึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณอย่างนี้ก็ เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้ในทุกขัสัจจะสภาพทริจริงคือทุกอันเป็นอริสัตข้อแรกซึ่งจะสืบต่อไปจนถึงข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เป็นอริสัจญาณความอย่างรู้อริสัจอย่างสมบูรณ์ต่อไปนี้ก็คอยตั้งใจวังสุดและตั้งใจทาความตุสืบต่อไป